ยะถ า, าวาริวหาปุราปิรูปเรนติสาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานางอุปกับปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัภีปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะถามณิโชติระสูยะถา ติโยวิวายชนตุสาโรโควินาศตุมาเตมภาววันตรายโยสุขีติคายุโกภาวาพิวายธนาศีลสานิ จางวัวธาตุใาจา ย, ยินอจัดตารวธาตมาวัดทานดีอา ย, อยุวันนสุขังปาลากตุเอปสันนานังอาการธรรมวิชาณตาง อยเบะโทเถปสันนานังดาคินเยอนุตระเรอาเทธรมเกะสันนานังวิรากุปะสะเมสุเคอาเกสังเคปสันนานังปุญยาเกตีอนุตระเร อากาศสมิงรานางราดาตังอากางพุนยางปวัตติอากางอายุวิจาวันนชอยยาสุกิติสุขังบลังอากาศดาตาเธาวีอากาธรรมมาสมัยตัว เดวะผู้ตมนุษยวะกาปะตัวปะโมดติติภวตุสัพะมังกาลังราคันตูสัพเนวะตาสัมบามุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันกุเต ภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสติปาวัตุเตปปาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสามบัติสังขานุขา นาซดาโสติภาวันตุเต